เขาถามตรงๆว่าคิดยังไงถึงทนเธอได้ทุกอย่างรู้ทั้งรู้ว่าเธอไม่เคยยัยดีกับฉันแล้วฉันจะทนปวดร้าวทำไมเขาไม่เข้าใจความเป็น ฉัน